Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. w a b i h i nasain. Laaha w a l a k u w a t a i l l a b i l l a h i l a l i n a z i i a m b a a s s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan, kehormat jam berencana Allah Subhanahu wa Taala. Persoak dengan pihon pusu seta tuh tuh tann. Hafidulillah. Kembali bokan cendera. Di chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang chuang c รายการวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้ม า, าพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าเรื่องราวของอัลกุรอานที่เราบอกไว้เรื่องราวของอัลกุรอานที่เราพยายามที่จะให้มุสลิมเราทุกคนพวกเราทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญของอัลกุรอานนะครับอย่าลืมนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางรอดและทางนำของมวลมนุษยชาติ ดังนั้นเราทุกคนก็ต้องพยายามนะที่จะได้ให้เวลากับอ่านอัลกุรอานพยายามที่จะใส่ความเขาเรียกการเป็นผู้ศรัทธาโดยนําอัลกุรอานนะครับเป็นจุดหรือเป็นตัวดึงดูดให้เรานั้นได้มีความตระหนักและมีความอยากที่จะได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับเพราะกุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจะอ่านสะ ก, กดพยายามอ่านนะ ให้รู้ความหมายให้จดจํานะครับหรือให้ได้ความเข้าใจทั้งหมดเหล่านี้ที่เกี่ยวกับอัลกุรอานล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ เ, เรียกกันว่าควรอย่างยิ่งนะครับว่าเราไม่ควรปล่อยปากแล้วเลยแล้วลากทิ้งนะครับในสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะให้พี่น้องได้ไ ด, ได้คิดตามนะั้นนั่นก็คือว่าวันกับคืนหนึ่งยี่ชั่วโมงพี่น้องเราตั้งเวลาของอัลกุรอานกี่นาทีต่อวันเราให้เวลากับอัลกุรอาน อย่างไรต่อวันในขณะที่เรื่องอื่นๆเรามีตารางเวลาได้อย่างชัดเจนแต่เรื่องของข้ออ่านเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ให้เราได้บริหารจัดการแล้วให้เราได้พยายามที่จะบอกตัวเองเสมอนะครับความสำคัญของข้รอานมีต่อชีวิตเราท้งโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับข้ออ่านมากกว่าที่เรา เ, เข้าใจในอดีตนะครับครับพี่น้องครับกลับมานะครับวันนี้เรายังอยู่ในสุล ก็ซสนะครับวันนี้ต่อเนื่องในอายะที่22นะครับเทาความในตอนที่แล้วนะครับที่นบีมูซาเลฮิสาลามนะครับได้ถูกเตือนนะได้ถูกกล่าวบอกนะครับจากผู้ที่หวังดีนะครับที่บอกว่าทางคณะที่ปรึกษาระดับสูงนะได้ลงมติหรือได้สั่งการไปเพื่อที่จับนบีมูซามา ลงโทษในการประหารชีวิตนะครับจึงได้แนะนําให้นบีมูซานั้นได้หนีออกจากเมืองนี้ไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับท่าน น, านบีมูซาอะลิส a l a จึงได้ออกจากเมืองนะครับโดยการขอดูอาต่อลอสุภาโนตลาให้รอดพ้นจากกลุ่มชนที่จอล์เจมทั้งหลายนะครับต่อมานะครับในอายะที่ยี่สิบสองนะครับที่ท่านนบีมูซาอะลีส a l a นะได้อกเอออลลอฮ์ได้บอกว่าวลายมาตะวันจะฮัตอิลก้ออามัดยัน และเมื่อนบีมูซาได้เดินทางสู่เมืองมัดยันนะครับนะเมืองมัดยันนี่ก็แน่นอนครับก็อยู่ห่างไกลออกไปนะครับก็ละอัสอาลอฮฺบิอยะเดียนิสวาอัสซาบินและท่านนาบีมูซ่าจึงได้วิงวอนขอนะครับว่าหวังว่านะพระบุญบานของฉันนะจะได้ชี้นําทางฉันอย่างเที่ยงตรงความหมายคือชี้นําทางไปในเส้นทางที่พวกกลุ่มซาลิม หรือบรรดาเฟรเอาไม่สามารถที่จะใช้อำนาจของตัวเองมาถึงในจุดๆนี้ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนาบีมูซาอะลสลานะครับได้ขอวิงวอนต่ออัลลอสุบฮานะฮูัตตลในการเดินทางในการรอดพ้นนะอันนี้พี่น้องครับชี่เราเห็นนะครับว่าทุกวิกฤตทุกการงานทุกการอะไรที่มันเกิดขึ้นใน ในชีวิตของเรานะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือ mm hmm. การวิงวอนขอดุอา mm hmm. การคุ้มครอง mm hmm. การช่วยเหลือจอากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตลละนะครับมันทำให้เราได้ได้ตระหนักแล้วก็ได้รู้ว่าไม่ว่านะเราอยู่ในวิกฤตแบบแบบถ้าบ้านเราเรียกกันว่ามืดแปดด้านไม่มีทางออกถ้าคิดแบบเราเร า, เราคิดแบบว่าหนึ่งเราจะทำเองเราจะช่วยเหลือเองเราจะหาคนช่วยเองเนี่ยถ้าคิดแบบนี้นะแล้วไม่มีทางออกเลยนะ สิ่งสำคัญนะครับนั่นก็คือว่าให้เราผู้ศรัทธาทุกๆคนเลยนะครับให้คิดใหม่ครับว่าไม่มีคําว่าทางตันสาหรับผู้ศรัทธาไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้หรือหรือไม่มีทางรอดสําหรับผู้ศรัทธาทำไมล่ะครับเพราะเรามีพระผู้เป็นเจ้าเรามี ahu, อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเป็นผู้ชี้นําทางเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ที่จะทําให้วิกฤตของเรา <c oughs> นะครับ ความยากลําบากของเราความคิดไม่ออกของเรามืดแปดด้านของเรามันมีช่องแห่งแสงสว่างนะครับเพียงแค่เราต้องรู้วิธีการเพียงแค่เราจะต้องรู้ว่าควรจะต้องทําอย่างไรดังนั้นเรื่องราวของนบีมูซา่าจึงเป็นเรื่องราวที่สอนและบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าเหตุการณ์ณวีนาทีนั้นมันมืดแปดด้านจริงๆพี่น้องครับว่าจะไปทางไหนเพราะทหารฟรีลเอานเต็มไปหมดแล้วเมื่อคําสั่งมานี่มันจะหนีไปไหนรอด ถูกไหมครับสุกสะกดรอยตามถุงมันมีโอกาสได้หมดเลยแต่สุดท้ายทำไมด้วยการขอดุอานะอาที่หนึ่งที่บอกขอว่า อ, ลลอัลลอรบบนจนมินมัลกอมซอนมนี่คือุอาที่หนึ่งอาที่สองเมื่อเดินทางออกมานะครับก็ขอดูอาว่ารบบี อ, อาซารบบีไอดีวาอั ส, ส, สบีนะครับนั่นคือสิ่งที่ ให้เราได้ตระหนักรู้และเข้าใจนะครับว่าเราทุกคนนะจะอยู่ไม่ได้จะรอดอะไรไปไม่ได้ปราศจากการขอด้วยต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหาัวตะลานะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาเล่าให้เราฟังนะครับให้เราได้รู้ถึงสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ แต่แน่นอนครับเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรนบรีมูซาอะลสลามก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มาดำเนินต่อไปเพื่อให้รอดพ้นจากอันดับแรกก่อนนะให้รอดพ้นจากอะไรง้มือของเิราเอานะครับที่มีการสั่งมีการระดมมีการทำให้ให้ลขลังทหารทุกนายนะครับเพื่อที่จะจับนบีมูซ่ามาลงโทษด้วยการประหัญชีวิตนะครับ ต่อมานะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้บอกเล่าให้เราทั้งหลายได้รับทราบในเรื่องสถานการณ์นะครับที่บอกว่าวะลัมมาวารดามาอามัดยันเมื่อนบีมูซาเดินทางมาถึงพบกับบ่อน้ําแห่งหนึ่งเป็นบ่อน้ําของเมืองมัดยันเป็นบ่อน้ําที่คนในเมืองเนี่ยเขาเขาใช้กันนะครับในอดีตบ่อน้ํานี่ก็จะเป็นเหมือนบ้านเราสมัยก่อนที่ที่ต้องเอากระป๋องลงไปแล้วก็สาวกระป๋องขึ้นมานะครับ แล้วก็เนื่องจากมันเป็นบ่อ น, น้ำของส่วนรวมจึงต้องเอาหาฝาอะไรติดขึ่งฝานี่หนักมากนะครับคนเดียวไม่สามารถที่จะยกได้นะฮะต้องอาศัยคนแข็งแรงหลายๆคนช่วยกันเปิดฝาแล้วทุกคนก็เอาน้ำมาให้กับสัตว์เลี้ยงเอาน้ำมาเอาใส่ภาชนะไปทานที่บ้านนะครับนะวจเด า, าอะเลหิอุมมะตมินันนาศีสกูล พบเห็นว่าประชาชนพบเห็นว่าผู้คนมาแล้วก็เอ า, เอาน้ำจากจากแหล่งน้นํานี้หรือจากบอ่อน้ํานี้นะครับวัจนามินดูในมุมรอตเตนิตอซูดานนะครับแต่มันสิ่งที่น่าแปลกนั่นก็คือว่านาบีมูซ่า Allah ได้กล่าวนะครับบอกว่านาบีได้นบีมูซาได้พบเห็นนะสตรีสองท่านนะครับมาถึงแล้วก็ไม่ยอม ไปเอาน้ําไปตักน้ําเหมือนคนอื่นเขาที่มาตักน้ําให้กับแทะให้กับสัตว์เลี้ยงของเขาทานแต่สตรีสองสองท่านนี้ยืนห่างๆนะรอสถานการณ์รอทุกอย่างนะครับนบีมูซาจึงได้ถามว่าก้อนละมาขดบุกมาเหตุใดเล่าที่มีปัญหาอะไรหรือหรือเหตุใดเล่าที่ท่านไม่ยอมไปไป เขาเรีกอะไรที่ห้ามท่านไม่อยอมไปตักน้ํทาทั้งๆที่ต้องการทาั้งๆที่อยากจะได้นะครับกอลาตาลานัสกีฮัตตายุสติริยะหัอาบูนเชคุนกาบีสสตรีสองท่านจึงได้บอกถึงเหตุผลว่าทําไมถึงพวกเขาไม่เข้าไปแย่งชิงเบียเศษนะครับก็เนื่องจากบอกว่าเราไม่มีแรงขนาดนั้นที่จะไปเบียเศษกับชายนะครับแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่ง นะครับเราต้องรอจนกว่าพวกเขาทั้งหลายจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครแย้งไม่มีใครอะไรแล้วเราถึงจะไปเขาเลิ่มไปสุดท้ายนะปิดท้ายนะครับต้องประมาณนี้นะครับเพราะว่าพ่อของเราเนี่ยที่เราต้องมาตั้งทาแทนเนื่องจากพ่อของเราเป็นผู้สูงวัยแล้วนะครับไม่ไม่ไม่สามารถที่จะมาเราจรึงจะต้องมาเลี้ยงแกะแทนแล้วก็มาทำภารกริจตรงนี้แทนพ่อนะครับนะนั่นก็ ชียเห็นถึงเหตุการณ์สถานการณ์ในที่มันเกิดขึ้นนะครับฟาสโกลาฮูมาซุมมาตาวัลละอิละซุลท่านนบีมูซาริสลามนะครับเห็นเหตุการณ์อย่างนี้รู้เหตุการณ์อย่างนี้จึงได้อาศายหรือเข้าไปตักน้ำให้กับฝูงแก่ของสตรีทั้งสองด้านนี้นะครับให้ทานแล้วก็หลังจากได้แล้วนี่ก็กลับบ้านโดยไม่ต้องกลับตอนเย็นที่ทุกคนเสร็จหมดแล้วนะครับ พูดง่ายว่าจึงกลับบ้านเร็วกว่าเดิมพูดง่ายนะปกติต้องรอจนกว่าทุกคนหมดแล้วตัถึงจะเป็นคนสุดท้ายมันก็กินเวลาไปถึงตอนเย็นแต่ครั้งนี้ที่ท่านนาบีมูซ่และฮิสาลามได้ช่วยเหลือไว้นะได้นำน้ำมาตักแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงได้ทานได้ได้ดื่มกันจนกระทั่งอ่นน้ำสำราญไปเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไปนะครับหลังจากนั้นท่านนาบีมูซาจึงได้ ขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะอตาลาได้บอกว่ากล่าวรับบีอินนีลิมาอันเซลตะอิไลย์ะมิไคร์นฟักกิโอ้อัลลอฮ์ความดีเล็กเลกน้อยนี่นะครับที่พระองค์ได้ได้ให้ฉันมาเจออย่างนี้นะฉันก็อยากเก็บเกี่ยวความดีเล็กๆน้อยน้อยเอาไว้นะครับความหมายก็คือว่าเห็นความดีอะไรที่ทําได้อะไรที่ช่วยเหลือได้อะไรที่ปฏิบัติได้นะครับไม่อยากให้ปล่อยผ่านนะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามยึ่งได้ บอกแล้วก็วิงวอนขอต่อรักสุภาณ ห, นะหัวตะลานะครับที่พระองค์ได้นำทางหรือชี้นำทางหรือดลใจให้เดินมาถึงจุดจุดนี้และเจอสถานการณ์อย่างนี้ที่ไม่ช่วยไม่ได้น่ะด้วยด้วยนิสยัยด้วยความต้องการด้วยภาคผลผลละบุญนะอะไรก็แล้วแต่นะครับแน่นอนอย่างยิ่งนะครับคนที่เป็นรอซูนคนที่เป็นผู้ที่ ถูกแต่งตั้งจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลนะครับจะไม่ปล่อยอะไรที่เขาช่วยเหลือได้ให้มันเลยไปไม่ปล่อยอะไรที่มันไม่ถูกต้องปล่อยเลยไปนอกจากเขาจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาจัดการนะครับนะนั่นก็คือเป็นหนึ่งเหตุการณ์นะครับบ่าเป็นความดีถึงจะดูเป็นเล็กน้อยนะดูไม่มีอะไรนะครับแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอยากที่จะทําเราต้องการทําและเขาหน้าที่จะทํานะครับก็ได้บอกนะ วิงวงขอต่อรอกสุภานณะหัวตาลาพี่น้องครับตรงนี้เราจะสังเกตว่าทุกเรื่องทุกขั้นตอนทุกเหตุการณ์นะครับมันไม่ใช่การบังเอิญมันไม่ใช่การที่มาเจอมาอะไรเปล่าเลยแต่เป็นเนื่องจากครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่เอารนะอกสุภานณหัวตาลาได้ชี้นําทางให้ท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามนั้นมาถึงเมือง น, นี้คือเมืองมัดย์ นะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนครับมันก็จะเป็นอัสบับสาเหตุของการที่จะพันตัวเองขึ้นมาอีกจึงหนึ่งจุดเพื่อที่จะได้ได้รับหรือได้ปฏิบัติในสิ่งที่เาเรียกเตรียมพร้อมสู่หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับต่อมาครับพักไม่นานนะหลังจากที่นบีมูซาช่วยเหลือแล้วก็กลับมานั่ง ใต้ต้นไม้พักล้มเพื่อเอาแรงนะครับเพื่อที่จะได้คิดว่าจะไปอย่างไรต่อนะครับฟาจัดเอห์ดาห์มาตัมเชียร์อาลเจยยทันใดนั้นเองก็มีหนึ่งในสองนางที่ที่ช่วยไว้บม่สักครู่เนี้ยเดินกลับมาหานนุมานะครับด้วยความเขินอายนะพูดง่ายว่าตอนกลับไปไปเนะี่ยไปสองคนแต่มาข้างนี้มาคนเดียวมาทำไมล่ะครับ ก็มาถึงก็กล่าวกับนบีมูซาที่บอกว่าอินนอบียะดูกะลียดจีกะอจุรมาสไกตลานามาบอกว่าแท้จริงพ่อของเราพ่อของฉันเนี่ยเชิญท่านไปที่บ้านเน่เชิญไปเพื่อที่จะตอบรางวัลหรือจะให้รางวัลท่านตอบแทนท่านในสิ่งที่ท่านได้ช่วยเหลือเราในสิ่งที่ท่านได้เอาน้ำนะตักน้าให้กับสัตว์เลี้ยงของเรา ตรงนี้พี่น้องครับว่าในอดีต น, นะครับจะไม่มีการช่วยเหลือโดยเขาเรียกว่าไม่มีผลตอบแทนนะครับแต่นบีมูซาเมื่อมาเห็นเนี่ยนะไม่ได้ขอและไม่ได้คิดจะเอาค่าตอบแทนแต่อย่างใดเป็นการช่วยเหลือด้วยใจอันบริสุทธิ์เป็นการช่วยเหลือเพื่อเห็นคนอ่อนแอนะครับแล้วก็ไม่มีใครรังแกนะครับแต่เพียงแค่ว่า าการช่วยเหลือหรือการคิดที่จะช่วยเหลือเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นนบีมูซาริสลามนะครับจึงได้ด้วยกับขล erect ความ อ, าอยากที่จะได้ช่วยเหลือการที่ต้องตั้งอยากจะได้ความดีต่างๆจึงได้ช่วยเหลือและสุดท้ายสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ Allah สุบฮานาอัลตะลาให้เป็นหนึ่งอสบาบที่จะได้มีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ หญิงคนนี้จึงได้บอกว่าพ่อของฉันต้องการที่จะตอบแทนนะฮะในการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับฟาร์มาเจอาหัวกซาอะลฮิลกัสสนะเมื่อมาถึงนะเมื่อมาถึงหมายถึงว่า น, นบีมูซาก็พร้อมที่จะเดินทางไปกับนางแต่ระหว่างทางพี่น้องครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างทางนั่นก็คือว่าท่านนบีมูซาอะลฮิซลามได้บอกกับหญิงที่มาได้บอกว่าเนื่องจาก นางมาคนเดียวจึงได้บอกว่าเอางี้บ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันจะเดินนำหญิงคนนี้จึงแปลกใจว่าเดินนำได้ไงเพราะไม่รู้ทางท่านจะเดินนำฉันไปได้อย่างไรเพราะท่านไม่รู้ทางนะนะบีมูซาจึงบอกไม่เป็นไรฉันเดินข้างหน้าท่านเดินตามหลังมาแล้วท่านก็บอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าอะไรไงก็ให้บอกมานี่เป็นสิ่งที่แปลก นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครปฏิบัติแล้วก็ทําแบบนี้แต่นบีมูซาต้องการที่จะบอกว่าไม่อยากให้ฟิตระมันเกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้การถูกลบหลู่นะเกิดขึ้นกับสตรีนะเป็นผู้เป็นคนดีอย่างนี้นะครับก็เลยบอกนะแน่นอนครับพี่น้องเรารู้เรื่องราวอย่างนี้มันก็มีจากประวัติศาสตร์นะจึงได้มีว่าถ้า ผู้หญิงเดินข้างหน้าการคิดชฉยตอนมันทําหน้าที่นะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีมูซ า, า, าอะไลซสลามนะครับได้ได้ได้บอกเอาไว้นะครับกับสตรีท่านนี้นะที่เราสามารถที่จะได้ศึกษาตามประวัติศาสตร์ได้นะครับต่อมาครับเมื่อมาถึงบ้านของหญิงท่านี้นะครับมาถึงพ่อของสตรีท่านนี้หัวกอซาอะไลฮิลกอสสนะนบีมูซาก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าทําไมถึง พูง่าว่าเป็นคนแปลกหน้าที่มาเมืองนี้มาจากไหนไปอย่างไรทำไมถึงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาถึงก็ไม่ได้พูดร่ำทำเพลงอะไรเลยเจอคนที่ไม่รู้จักหมายถึงสตรีที่ไม่รู้จักแล้วยืดมือเข้าช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้ขอและไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับนะก็เลยบอกเล่าเรื่องเหตุการณ์นะครับพ่อของสตรีสองสั้นนี้นะครับเขาคือใครเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ ได้บอกกับนบีมูซ่าเพื่อตอบใจและก็ให้สบายใจได้ที่บอกว่าก็ละล ะ, ละตะครฟท่านไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะครับมาถึงตรงนี้มาถึงเมืองมัตยันแล้วมาถึงที่ที่อย่างนี้แล้วที่นี้เป็นที่ปลอดภัยจากน้ํามืออํานาจของฟร์ราอูอย่างสิ้นเชิง น, นะครับพูดง่ายว่าอํานาจของเขามาไม่ถึงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะมาไม่ถึงจุดนี้เพราะนี่เป็นเมืองที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการโซลิมไม่มีการอะไรทั้งสิ้นขอ ง, งฟิลเอานะดังนั้นท่านไม่ต้องกลัวท่านไม่ต้องกังวลนะครับนายาต่มินัลเกาเมซอนีมีพี่น้องจำได้ไหมฮะว่าตอนนั้นตอนก่อนหน้านี้ที่เราได้รับทราบไปว่าท่านนบีมุสอาขออะไรครับให้รอดพ้นจากเกมซอมีนใช่ ประชาชาติที่อรอลิ่มประชาชาติที่อาธรรมถูกไมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเจ้าแตามินัลเก้ามีอรอลิ่มท่านปลอดภัยท่านรอดพ้นนะจากใครครับจากประชาชาติจากกลุ่มชนที่อรอลิ่มที่อาธรรมทั้งหลายแล้วนะครับ นั่นก็คื อ, อชี้เห็นนะครับว่าทุกดูอาที่ท่านนาบีมูซาเลยสำหรับขอเป็นขั้นตอนขอทุกครั้งที่เจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์ที่ถ้าบ้านเราวันนี้นะเรียกว่ามืดแปดด้านเป็นสถานการณ์ที่ไม่ไม่มีทางออกไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับแต่การขอดูอาจะนำพาคนๆ น, นั้นได้รอดพ้นนะครับจากวิกฤตที่เขาคิดว่าเขาคงจะไม่ไม่มีอากาศรอดนั้นมีทางรอดได้ และสุดท้ายนี่คือตัวอย่างและก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนะเมื่อฟัง เ, เรื่องราวจากอัลกุรอานนะครับอันนี้ไม่ใช่นิทานนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่สอนเขาเรียกว่าอดีตนะเป็นบทเรียนแห่งอนาคต เราจึงเอาอาดีตนั้นมามามาพูดมาเล่าแล้วก็มาบอกนะครับ <reacted> เพื่อที่จะให้รู้ว่าในอนาคตทั้งหน้านี้เราควรจะต้องทําตัวอย่างไรถ้าเกิดวิกฤตถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทำหนึงนั่นก็คือการขอดว่วนต่อร็อกสุภาหัวตลาลนะครับเอาละครับพี่น้องเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีคุมอัลลอฮ์มัลละห์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับ